ขอความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ลงบโพธิญาณกำลังนำเสนอเรื่องปัจเจเวกณะสมา ธ, ธิคือการใช้ปัญญาพิจารณาเพ่งพินิจเฉพาะกรณีกรณีจนเกิดความเห็นชอบตามความเป็นจริงในสิ่งเหล่านั้น และพยายามหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นให้ได้บางกรณ์ในผู้เรื่องปัจจัสี่ที่บาลีเรียกว่าตังคณิกะปัจเจเวกขณะคือให้พิจารณาเฉพาะไปในขณะที่บริโภคอาหารหรือว่าใช้เครื่องลูบผมแต่ว่าปัจเจัยีก็ยังมีที่อยู่ที่อาศัยกยารักษาโรคอยู่ด้วย ที่อยู่ที่อาศัยมันก็มีแนวเดียวกับเครื่องนุ่งห่มคือการสาเร็จประโยชน์ในฐานะเป็นที่อยู่ที่อาศัยเ็าเรียกว่าเหมาะสมแก่สถานะซึ่งจะใหญ่จะเล็กก็ขึ้นอยู่กับสถานะของบุคคลครอบครัวสถานะทางการเงินการงานต่างๆนคงไม่ใช่ข้อยุตินะฮะว่า ที่อยู่ใจะใหญ่โตกว้างเล็กคือขนาดไหนแต่ว่าในเกณฑ์ของพระนั้นในสมัยดั้งเดิมจริงๆก็อยู่ตามป่าตำโพนไม้ในการต่อมาเมื่อมีกุฏิเกิดขึ้นก็นกำหนดให้มันกว้างประมาณเจดคืบก็ยาวสิบสองคืบ ก็ถ้าพูดถึงเอาใช้ไม้ในปัจจุบันก็เหนือกว่าฟุตนิดหน่อยนะเรียกว่าคืบสุขตเป็ดมาดวัดในสมัยนั้นก็สแสดงว่าพอนอนเต็มก็มีวางอะไรได้นิดหน่อยก็สมนวยประโยชน์ในฐานะที่เป็นน า, นาคาบิกคือผู้ไม่ครองเรือนแต่ในการต่อมาที่จริงก็ห่างกันไม่นานนะฮะ เมื่อเกิดมีความจำเป็นที่พระราชากับมหาเศรษฐีเป็นหลักท่านก็สร้างอารามขึ้นมาถวายโดยเฉพาะธานานาตบินนิกาเศรษฐีลงทุนถึงห้าสิบสี่โกดนะสร้างประเชตะวันขึ้นมานมหาสามนมากจะมันเป็นสมบัติของศาสนาจะมันเกิดขึ้นจากพลังศรัทธาของชาวบ้าน ถ้าเราเองก็คงเป็นผู้อยู่อาศัยแม้ในปัจจุบันนี่แหละคือมีวัด ว, ดวารามกุฏิอะไรใหญ่โตกว้างเนี่ยพระก็คงอยู่ในฐานะเป็นผู้อาศัยซึ่งอาจจะต้องย้ายวัดไปหรือว่าเวลาตายไปก็กลายเป็นสมบัติของคนอื่นต่อไปนั้นไม่สืบต่อแบบมรดกของชาวบ้าน เพราะย่างไรก็ยังพิจารณาในแนวของปัจเจ sĩ คือสำเร็จประโยชน์แล้วก็ต้องการภัยอันตรายต่างๆได้เป็นเงื่อนไขของพระวินัยก็อยู่ได้แต่โครงสร้างในปัจจุบันสังคมมันก็เปลี่ยนแปลงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคืองานในด้านการศึกษาเนี่ยมันต้องมีเอกสารมีเครื่องมือเครื่องไม้ในการทํางานเนี่มากมายแกร่อ อย่างกวติคนมาเอาหนังสืออย่างเดียวก็เป็นหมื่นนะเป็นหมื่นเล่มนะครับงชั้นบนชั้ น, นล่างก็มีแต่หนังสือมีแต่ตู้เต็ไมไปหมดส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องดีวต้องศึกษาค้นควา้าส่วนหนึ่งอาจจะมาต้องการดูบางเรื่องบางตอนแต่นั่นเองแต่เป้าหมายจริงๆก็คือต้องการจะสร้างเป็นห้องสมุด ของศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยแต่ว่าศูนย์เกิดขึ้นมาไม่ได้ก็ให้หมา ห, หมาวิาทยาลัยมหาวิทยาลัยก็ถึงน่าจะมีในโอกาสต่อไปในอย่างคิดอยู่ว่าต่สร้างห้องสมุสมดสาเร็จก็จะอยู่เฉพาะกับปจัดดจจัยปิดกัตตกถาองค์จะไม่ไม่อ่านหนังสือเรื่องอื่นนะ ก็คงอ่านอาจจะอ่านก็อ่านข่าวคราวทางหน้างซือพิมพ์บ้างไปรู้เรื่องของโลกบ้างแต่จะเน้นหนักไปที่เอกสารที่เป็นหลักๆของพร ะ, พ, ระพุทธศาสนาพเรือนชนะาบางทีมันก็ต้องใหญ่ต้องใหญ่ขึ้นแต่ว่าก็ไม่ใช่อยู่เพื่อตัวเอง มันต้องคิดไว้ว่าต้องไม่อยู่เพื่อตัวเองพองมาถึงชาวบ้านเนี่ยจะง่ายชาวบ้านนั้นคนที่มีสถานะดีๆก็มีบริษัทบริวารมีเครื่องใช้ไม้สอยอะไรมากตามต้องควรัะหน้าที่การงานก็ว่ากันไปวันนี้ถ้าเราลองดูการโฆษณาตามหน้าหนังสือพิมพ์พูดถึงบ้านต่างๆเนี่ยมันรู้สึกใหญ่โตมาก เมื่อก่อนเราพูดถึงวังกับวัดนะครเดี๋ยวนี้เลิกพูดเลยวังก็ชิดซ้ายวังก็วัดก็ชิดซ้ายไปแล้วเป็นเรื่องของคือหาดเศรษฐีแล้วแต่เมื่อมันเหมาะควรแก่ฐานะของท่านเหล่านั้นก็เป็นเรื่องของท่านแต่ที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือยายเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัยใหญ่โตมากเดินไปก็เดือดร้อนนะครเล็กมากเกินไปก็เดือดร้อน เขเรียกว่าพอประมาณพวกนี้จริงมองในแนวของการพอประมาณเป็นการบริโภคปัจจัยสีโดยกล่าวโดวยสรุปเนี่ยเขาเรียกว่าพอประมาณยาแ ก, ก้ไขมันก็มีลักษณะอย่างนั้นคือถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็ไม่ควรจะไปกินยาแก้ไข่เป็นปบ่อยๆคือกินในกรณีที่มันค่าจริงๆถ้าปัจจัยสีเรามองได้อย่างนี้อยู่เรื่อย มันก็จะประหยัดในการสแสวงหาในการได้มาในการครอบครองในการบริโภคใช้สอยเนี่ยจ ะ, ระบริหารจัดการไปตามหลักของเรียกว่าสันโดษคือสันโดษตามปกติเราจะมองคล้ายๆกับว่าเป็นธรรมะที่สอนพระแต่แท้จริงแล้วเป็นธรรมะที่สอนทั้งพระทั้งชาวบ้านธรรมะน้อยน่ะสอนจะสอนพระอย่างเดียว ปราสมมติว่าได้อะไรมามากมันก็รับแต่น้อยบริโภคแต่น้อยใช้จ่ายแต่น้อยแต่มันก็อีกแหละคือในยุคสมัยปัจจุบันในที่จริงมันความเปลี่ยนแปลงทางสังคมนี่มันทำอะไรอย่างนั้นไม่ค่อยได้อย่างยกตัวอย่างจีวรบางยุคบางสมัยถ้ามองไปข้างหน้าเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรจะต้องรับผิดชอบมาก เราจะเก็บไว้บ้างพระไตรขงไตรเบื่อคนมาขอจะได้ให้เขาจะได้ช่วยเขาแล้วบางทีไม่ใช่ขอธรรมดานะฮะก็ขอบวชนาคเลยนะซึ่งเรามีไม่พอเราเราต้องหาให้เขาจังหวัดบางจังหวัดเนี่ยเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลเนี่ยเขาไม่กล้าเป็นกันพอเป็นแล้วเนี่ยญาติโยมจะเอาลูกหลานเนี่ยมาวางแหมลงเลย หลงพ่อซุกบวดให้ด้วยแล้วไม่ให้อะไรไปเลยนะทีถี้าคนสองคนเนี่ยพอไหวนะแต่หลายคนและชักยุ่งอ่ะทีนี้เพราะนอกจากจิตใจกว้างขวางแล้วต้องมีบารมีด้วยหรือไม่งั้นก็ญาติโยมตัวเองเนียฮะญาติพี่น้องพ่อแม่ตัวเองมีฐานะร่ำรวยแล้วก็เป็นได้ค่าอยู่เบื้องหลังเนี่จะทำงานได้ เรื่องบานเรื่องเราจึงไปลงตัวไม่ได้ทีนี้บางทีการงานใหญ่ๆรออยู่เช่นสมมติว่าต้องทำศพครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยก็ใช้จ่ายมันต้องเยอะต้องเตรียมของสบงจีวรเก็บเก็บได้มาก็เก็บเก็บไปเพื่อเตรียมเอาไว้ไปทำบุญ สีบางคนมาเห็นตอนเก็บเนี่ยใกล้ๆกับพระนี่โลกจังแต่จริงไม่ได้เก็บไปเพื่อตัวเองอันนี้คือเป็นเงื่อนไขต่างๆภายในสังคมเนี่ยนี้อย่างพระผู้ใหญ่บางองอย่างเจ้าคุณสุเดปัะสังกราชเนี่ยท่านได้รับนิมนต์ไปที่ไหนนี่มีพระไตรพร้อมที่จะถวายพระนี่อยู่ท้ายรถตลอดเพื่อไปสงเคราะห์คนที่ควรสงเคราะห์ ตัวนี้มันมีและคงความสันโดษอยู่นะครับคงความมากน้อยอยู่เพราะว่าไม่ได้มีเพื่อตัวเองแต่มีด้วยจิตคิดแอนุเคราะห์คือบางครั้งบางคราวในคนเขามองอะไรตัดตอนวันก่อ น, นมีนักข่าวเข้ามาขอสัมภาษณ์ก็ยังนึกกว่าเออหนังสือพิมพ์เนี่ย คือส่งคนมาไม่ดูเป็นเด็กผู้หญิงที่ไม่มีพื้นฐานความรู้เรื่องศาสนาเลยคือพูดถึงนี่เธอไม่รู้เรื่องเลยนะเอเจอจะขอมันส่งมาได้ยังไงแต่แกก็เสนอว่าศาสนาสมบัติน่ะใครจะปกครองก็ปกครองไปนะพระก็มีหน้าที่แต่ลดละกิเลสอย่างเดียวบอกว่าเธอพูดเนี่ยเหมือนกับพระเป็นเทวดา เราต้องกินต้องอยู่ต้องใช้เหมือนคนนะพระเป็นลูกชาวบ้านนะคือไม่ใช่กินอาหารทิพนะมันจะต้องมีปัจจัยในการลิ้ยงดูค่าน้ําข้าวไฟค่าใช้จ่ายภายในวัดในวัดเนี่ยมันจะจ่ายมหาศาลนะคนอยู่กันเป็นร้อยนะแล้วคนเอาก็ ย, ยึดสตางหมดเราจะจะอยู่ได้ไง อันนี้คือคนมันมองโดยไม่ได้มองในองค์ประกอบอื่นมันค่อนข้างเป็นปัญหาในด้านความคิดความคิดคงคนปัจจุบันเนี่ยไม่มีปัญหาในด้านความคิดอย่างเงี้ยคือแค่ตัดตอนมองอเฉพาะตรงใดตรงหนึ่งเนี่ยบางนไปบรรยายที่มาวิ่เป็นไแห่งหนึ่งักศึกษ า, <ส>าจะถามเนี่ยจะมีข้องใจเรื่องพระนี่มีใจมีเยอะแต่ตานปกติแล้ ว, วาจะอธิบายนะฮะอธิบายไป็นเหตุเป็นผล เธอสึกวันนั้นมันถามมาหาเป็นไหนผิดเล็กผิดน้อยอะไรแต่อะนี่เธอเอามาเป็นแง่เป็นมุมเลยบอกว่าพวกเธอเป็นนักศึกษาชั้นไหนก็บอกชั้นปี4ีอายุเท่าไหร่ก็อย่างน้อยก็ยี่บเอ็ดยิบสองถามว่าหนูคิดว่าพระนี่มาจากไหน คิดว่พระมาจากดาวดวงอื่นหรือว่ามาจากส ว, สวรรค์เธอต้องคิดนะครับพระนี่คือคนคือลูกชาวบ้านเหมือนพวกเธอนี่แหละเตอต้าโดยเฉลี่ยทั่วประเทศนี่หละพื้นฐานในการศึกษาสมมติว่าพระเราประมาณสี่แสนเอาให้สี่แสนแล้วนักศึกษาสี่แสนมาเทียบเนี่ยมันเทียบไม่ได้ ตพระปัญญาตรีมีไม่คี่รูปหรอกมีไม่มากหรอกนี่พวกเธอกำลังจะเป็นปัญญาตรีคนระัแต่ท่านเหล่านั้นป .6 ก็มีนะฮะปวชวก็มีปวสก็มีปัญญาตรีก็มีป .4 ก็มีนะฮะแต่ท่านเอารักษาศีลหนึ่งสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อเป็นอย่างน้อยนะฮะนอกปฏิโมกข์เยอะผิดบ้างถูกบ้างก็ธรรมดา แต่เธอนี่ยทั้งหมดเนี่ยลองสารภาพกันจริงๆพูดโดยสัตว์โดยจริงเนี่ยพวกเธอเคยรักษาศีลห้าได้หรือเปล่ามีใครรักษาได้หมดไหมไม่มีใครยกมือเลยสักคนเนี่ยเดี๋ยวก็ยิ้มเจนเจนบอวันนี้เราลืมไปว่าศีลห้าเนี่ยมันศีลของอุบาสกอุบาสิกาศีลชาวพุทธมันไม่ใช่เกณฑพระพวกเดียรักษาศีลพระมันศีลสองรอยเจด แต่พวกเธอนี่คือศีลห้าเพราะงั้นต้องดูว่าเราศีลห้านะรักษาได้ดีไหมเราเป็นคนเหมือนกับพระนี่แหละถ้าเรารักษายัางไม่ได้ดีมีขาดมีบกพร่องอยู่บ้างพระที่รักษาศีลละเอียดกว่านี้ในส่วนศีลละเอียดนะมันต้องบอกคล่องอยู่บ้างแต่การจะไปฆ่าคนจะไปลักทรัพย์จะไปประเวณีมันไม่มีอ่ะมันไม่มีแรงขนาดนั้น นอกจากว่านี้ก็เป็นการกล่าวหากันกล่าวหาก็มีสิทธิ์ที่จะกล่าวหาแต่ว่าถ้าจริงมันอยู่ที่ท่านทำเองเพราะเราเห็นจะจะเห็นว่าแนวปัจจเวกเนี่ยมันจริงไม่ได้ใช้เฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเฉพาะเป็นการพิจารณาเป็นภาพ ร, มรวมๆที่ยกเรื่องปัจจัยสี่มาเนี่ยเพราะว่าสังคมเราเป็นอยู่ในยุคที่เรียกว่าสังคมบริโภค แต่ถ้ามองให้ซึ้งลงไปเนี่ยมันสืบเนื่องมาจากการขาดปัญญาเป็นเครื่องมือในการสวจสอบในการพินิจพิจารณาที่จะควบคุมตัวเองไม่ให้ดึงปัญหามาทับถมตัวเองมากเกินไปเช่นบางครั้งบางคราวเนี่ยได้เงินได้ทองซึ่งมันน่าจะใช้ให้ประโยชน์มากกว่านั้น ไปท่องเที่ยวไปสหรัฐอเมริกาไปต่างประเทศอะไรแต่ไหนซึ่งหมายความว่ากลับมาแล้วเงินยอดขนาดนั้นเนี่ยตนเองไม่มีโอกาสจะได้แล้วหรือจะได้ก็อีกนานมันน่าจะดูที่ความจําเป็นก่อนหลังอะไรมีความจําเป็นน้อยอาจําเป็นมากจําเป็นที่สุดเนี่ยเอาที่จําเป็นที่สุดก่อน ย้อนก่อนได้ดูอะไรที่ก็ว่าได้เงินล้านกว่านะก็นํานแม่ไปเที่ยวแต่ว่าลองดูให้ดีวมันมีอะไรที่สําคัญกว่านั้นก็นํานแม่ไปเที่ยวนั่นก็ดีนั่นแหละเจอเห็นต่างประเทศแล้วมันได้อะไรขึ้นมาต่างประเทศมันก็เหมือนกับประเทศเรานี่นะฮะไม่ได้เห็นต่างอะไรแกัน แล้วมาเคยไปฝรั่งเศสเขานำชั่วชมปร า, าสรราทราชวังปร า, า ส, รป ส, สาทไปทรงเวซายอะไรต่ไรเราก็เดินเหมือนปกติเราเหมือนเดินเดินบนถนนเนี่ยอีกคนที่นำเที่ยวก็บนว่าไม่เห็นท่านดูอะไรก็ดูนะก็ดูก็เห็นนี่ก็ก็เห็น เพราะว่าเราดู ว, วัฒนธรรมปฏติมากรรมจิตตกรรมวิจิตศิลปนิสศินต่างๆที่จากยุโรปนั่นมาจากกรี ก, กโรมันนวันนี้นอิติพงก์กกรีกโรมันสเปนนะแต่นีนะ่ก็ไม่มีอะไรนะพอเห็นแล้วก็เหมือนเดิ ม, มก็ซ้ซําๆำซากๆถ้าเอเชียยังน่าทึ่งกว่าเอาไปที่อินเดียที่จีนเนี่ยยังน่าทึ่งกว่าเยอะเลยนั่นก็คือ เราจะเห็นว่าเรื่องเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราอาจจะดูสมุดภาพไปอย่างไรเลยสมุดภาพที่ว่าในเมืองต่างๆเนี่ยเอามานั่งเปิดดูก็เสบยประโยชน์แล้วมันไม่ได้เรื่องความจําเป็นของชีวิตแต่ว่าเป็นปัจจัยเสริมถึงประสบการณ์ที่เราได้พบเห็นมาในชีวิตของเราท่านั้นเองและเราก็สามารถที่จะเลือกเฟ้น การพิจารณาบ่อยๆเนี่ยมันมาถึงจุดหนึ่งก็จะมีการจําแนกแบ่งแยกเลือกเฟ้นนามาประพฤติปฏิบัติให้เหมาะให้ควรแก่กรณีนะถ้าเราเข้าถึงสาระถะของปัจจัยสี่ได้เราจะแก้ปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องไปได้เยอะแก้ปัญหาทางเศรษฐกษิจนะฮะก็เศรษฐกษิจเนี่ยเราจะแก้ได้เยอะได้ คือเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราสมมุติเราเดินทางไปต่างต่างจังหวัดแล้วก็มีเรื่องที่จะต้องทำอยู่ต่างจังหวัดเตี้ยเนี่ยแต่คนบางคนก็อาจจะมองว่าไปเครื่องบินนะก็ดีก็ดีฮะแต่ว่าเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วจะไปสร้างปัญหาแก่คนอื่นที่ปลายทางนี่เยอะเลย คนต้องตามไปส่งเราขึ้นเครื่องคนต้องตามมารับที่เครื่องแล้วก็ต้องไปใช้รถคนนั้นคนนี้คนโน้นก็จะมีอะไรต่ อ, อะไรไม่รู้เรื่องเยอะเลยวันนั้เราเทียบเคียงดูแล้วเนี่ยเราเอารถลงไปเดี๋ยวรถขึ้นไปเนี่ยใครจะจ่ายเนี่ยมันจะน้อยกว่าอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ก็ได้เห็นได้มีประสบการณ์เพิ่มเติมก็บเก็บเกี่ยวประสบการณ์ระหว่างทางแล้วก็ไปถึงเนี่ยเราไม่ต้องรบกวนใคร จะไม่มีคนมาเดือดร้อนเหมือนกันพราะกันไปของเราคนะือนึกถึงคนอื่นเอาไว้มากทีนี้ถ้าเราเราเข้าถึงสาระธตรงนี้เราจะเห็นว่าการตัดไม้ทําลายป่าการขุดค้นทำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้กันฟุ่มเฟือยมากๆเนียมันจะลดลงไปคือไม่ใช่ไปมั่ ง, งลลคั่งร่ำรวยกันในยุคสมัยใดสมัยหนึ่งเพียงอย่างเดียวโลกบรรยูอีกนานเราเป็นคนอาศัยโลก เพระปัจจัยเหล่านี้เป็นเป็นเครื่องอาศัยในการดำรงชีวิตเราเท่านั้นเองมากไปมันก็เท่านั้นนะมากไปมันก็เหลือน้อยไปก็ไม่เส็พประโยชน์เอาแต่รียกวพอดีประเด็นสันโดษท่านจะวางไว้ว่าในการแสวงหาเนี่ยที่จริงคนก็ทุ่มเทความเพียรพยายามด้วยแรงกําลังกายกําลังความคิดกําลังทรัพย์กํำลังคนออกไปได้เต็มที่ แต่ว่าเมื่อได้ก็คือได้นะยินดีตามที่ได้ก็เรียกวิถาราพระสันโดคือยินดีตามที่ได้ได้มากก็ยินดีตามมากได้น้อยก็ยินดีตามน้อยไม่ได้เลยก็คือไม่ได้มันไม่ใช่ไม่ได้เราคนเดียวนะคนอื่นเขาก็ไม่ได้ก็ทําใจไม่ต้องเสียใจเพราะเสียใจมันไปเพิ่มความสูญเสียมันไม่ได้อะไรขึ้นมาพอไม่ได้ก็คือไม่ได้นะจะทํำยังไง มันเหมือนการมองสิ่งทั้งหลายที่เราตั้งความปรารถนาจะได้จะมีจะเป็นเนี่ยสมมติว่าคนตั้งความปรารถนาและได้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยโลกมันจะอยู่ไม่ได้สมมติว่าเป็นไปได้เนี่ยสมมติว่าคนสามารถตั้งความปรารถนาให้มีเงินทองร่วงลงมาจากฟ้าเนี่ยนะตามที่คนแต่ละคนต้องการเนี่ยมันไม่ได้หรอกโลกมันอยู่ไม่ได้ เพราะอะไรพวกคนยังไม่ลดละตัญหาภายในใจของตัวเองมันแข่งมากมันแข่งสูงแข่งใหญ่แข็งยาวแข่งอะไรกันุดตลุดนะฮะและในสุดจะอยู่กันไม่ได้คือถูกกองเงินที่หล่นลงมานี่ทับตายหมดนะความปรารถนาของเราบางอย่างซึงอาจจะได้ตามที่ปรารถนาบางอย่างอาจจะได้สักครึ่งสักกึ่งหนึ่งบางอย่างอาจจะไม่ได้เลย นานๆอาจจะได้เกินที่ต้องการที่ปรารถนาก็ได้เพราะถ้าเราเตยนใจไว้อย่างนี้มันมีประตูออกทั้งสี่ประตูมันก็ออกประตูใดประตูหนึ่งแหละแต่ยังลืมว่ายังอีกตั้งสามประตูมันไม่ออกตอนพอได้มากมันก็ไม่เหลิงไม่ระลงมเลยไม่เพลิดเพลินบันเทิงใจมากเกินไปไม่ะระลิงหลงมากเกินไป แต่น้อยก็ไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจหรอกวันหน้ายัางมีก็สามารถปรับใจของตัวเองได้ในทุกๆกรณีทีนีน่นนในการบริโภคใช้สอยเขาเรียกวิธฐาสารุ ป, ปรสันโดษคือยินดีตามเหมาะตามควรก็เรียกว่าพอใจพอควรพอประมาณพอดี จะมากก็ไม่เป็นไรแล้วก็พอประมาณนั่นแหละมากไปน้อยไปก็เรียกว่าพอประมาณหรือพอควรหรือพอเหมาะพอสมตามปกติเราก็เรียกว่าพอใจพอควรพอประมาณพอดีเนี่ยสรุปรวมว่าเป็นยาถาสารุปรสันโดษในหลักการหนึ่งก็คือหลักก็เรียกว่าสมาชีวิตา คือเลี้ยงชีวิตพอสมควรแก่กำมังทรัพย์ที่ตนหาได้มาที่ตนมีอยู่ที่ตนครอบครองเป็นเจ้าครอบเจ้าของอยู่นี่ก็เป็นหลักพอเราจะเห็นว่าแม้แต่ยาพวกบำรุงเนี่ยหมอก็เคยเล่าว่จาจังพวกวิตามิน เ, นยเคยอ่านข่าวบ่อยๆแต่มาก็มีคนเอาวิตามินมาให้เรื่อยแต่ก็ไม่ไม่ตามใจเ้าหรอก ต้องถามหมอก่อนว่าฉันได้หรือเปล่าล้วหมอบอกว่าได้ก็ได้ไม่ได้คือคือถ้ามันเกินไปเนี่ยร่างกายมันเป็นอาหารร่างกายถ้าการมันขาดแคลนอะไรมันก็แอบซบเข้าไปเท่าที่มันขาดแคลนเราจะกินให้มากมันก็กลายเป็นการแล้วถ้าเราไปยึดถือหลักของ สันโดษคือยินดีตามได้ยินดีตามกําลังยินดีตามได้ยินดีตามเหมาะสมควรเนี่มันก็กลายเป็นไม่ต้องเป็นทาสของปัจเจ sĩ แต่ว่าเป็นนายปัจจจ sĩ แล้วควบคุมความรู้สึกตัวเองได้โดยไม่ให้เดือดร้อนเพราะปัจเจ sĩ มากเกินไปทั้งฝั่งทั้งหลายแต่ร่วมบริพัตญาในวันนี้ขอยุติไว้ได้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้อ ง, งามไพบูณนธรรม